รักษาโรคด้วยสมาธิวิธีนั่งสมาธิเพื่อรักษาโรคภายในภายนอกก่อนอื่นหลังจากที่เราไหว้พระสวดมนต์เสร็จแล้วให้อธิษฐานจิตว่าขอบารมีสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์จงดนบันดาลให้โรคภัยแค่เจ็บของข้าพเจ้าหายไปหน้าบัดนี้แล้วก็มานึกในใจ โธธรรมโมสังโฆพุทโธธรรมโมสังโฆและก็นึกว่าพระพุทธเจ้าอยู่ที่จิตของเราพระธรรมอยู่ที่จิตของเราพระสงฆ์อยู่ที่จิตของเราเราจะสำรวมเอาจิตอย่างเดียวแล้วก็นั่งขัดสมาธิตั้งกายให้ตรงตั้งสติให้ดีสูรลมหายใจช้าๆเบาๆสัก4ี่ถึงห้าครั้ง สตดเข้าและปล่อยออกนับเป็นหนึ่งครั้งพอทำถึงหครั้งแล้วก็นั่งทำใจให้เฉยเฉยอย่าไปตั้งใจคิดอะไรกำหนดสติรู้ใจของเราอยู่เฉยเฉยในช่วงนั้นลมหายใจจะปรากฏในความรู้สึกของเราก็ดูลมหายใจเรื่อยไปอันนี้ถ้าเราทำได้จิตสงบจะมองเห็นลมหายใจขาววิ่งออกวิ่งเข้า พอมองเห็นลมหายใจขาววิ่งออกวิ่งเข้าเราเป็นโรคภัยแค่เจ็บอยู่ที่ไหนจิตมันจะวิ่งไปที่ตรงนั้นลมจะวิ่งตามไปเช่นเป็นแผลในกระเพาะลำไส้พอลมหายใจขาวสะอาดดีแล้วมันจะวิ่งไปสู่จุดที่มันรู้สึกเจ็บนั่นแหละพอจิตวิ่งไปตรงนั้นลมก็ตามไปและมันจะไปสัมผัสขึ้นสัมผัสลงอยู่ที่ตรงนั้น และจะทําให้แผลในกระเพาะหรือลําไส้หายได้อันนี้มีคนเขาทาหายมาหลายคนแล้วอันเนี้ยวิธีทําสมาธิรักษาโรคเมื่อจิตของเราไปรวมอยู่ที่ลมหายใจมองเห็นลมหายใจวิ่งออกวิ่งเข้าข่าวเหมือนปุยนุ่นปุยฝ้ายในช่วงนั้นจิตสงบเป็นสมาธิมันจะดึงดูดเอาพลังรอบข้างเข้าไปรวมอยู่ที่จุดนั้นเรียกว่าพลังจักรวาล พอหลังจากนั้นจิตเขาจะทำหน้าที่ของเขาเองเราไม่ต้องไปบังคับเขาเราเจ็บที่ตรงไหนปวดที่ตรงไหนขัดค้องที่ตรงไหนเช่นอย่างเกิดความเมือนตึงในสมองปวดศรีรษะบ่อยๆตึงเครียดมันจะคลายเบาบางลงแล้วในที่สุดจะหายขาดบางคนไปทําเพียงสามวันก็หายอันนี้คือวิธีทาสมาธิรักษาโรคภัยแค่เจ็บด้วยตนเอง